จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสภุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ 25, ยีห้าเมษายนพุธศราชสองพันห้าร้อยหเป็นวันพระวันธรรมวัวนาวันปังธรรมวันที่สาธุชนพุทธบริษัท ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เปรียบเหมือนแสงสว่างที่จะนําพาชีวิตให้ไปสู่ความสุขความเจริญให้อยู่ห่างไกลาจากความทุกข์จากความเสื่อมเสียต่างๆการมาวัดนี้เป็นการมาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะถ้ารู้ชีวิตของเราก็จะได้เดินไปในทางที่ถูกที่ควรไม่เดินไปในทางที่ผิดสร้างความเสียหายให้กับตนเองและแก่ผู้อื่นคำสอนของพุทธเจ้าที่สอนพวกเหล่านี้ก็เป็นเหมือนกับกฎจราจรของทางบ้านเมืองเวลาที่เราขับรถขับรา เราต้องศึกษากฎจราจรถ้าเราไม่รู้จกักกฎจราจรเดี๋ยวเราก็จะต้องขับไปเกิดอุบัติเหตุเกิดภัยต่างๆทำผิดกฎจ ร, ร, ราจรก็จะต้องถูกปรับถูกจับไปลงโทษถ้าเราไม่รู้ว่าไฟเขียวมีความหมายว่าอย่างไรไฟแดงมีความหมายว่าอย่างไรลูกศรชี้ไปทางขวาชี้ไปทางซ้าย มีความหมายว่าอย่างไรถ้าเราไม่ปฏิบัติตามความหมายของกฎจราจรตา่ตางๆเราก็จะไม่สามารถที่จะขับรถได้อย่างปลอดภัยชีวิตของเราก็เป็นเหนือนกับการขับรถบนท้องถนนเราเดินทางชีวิตของเรานี่เป็นการเดินทางเราออกจากบ้านเรา เราก็ไปที่ทำงานอยากที่ทำงานเราก็ไปทำอะไรต่อพอเสร็จธุระเราก็กลับบ้านกันการที่เราไปกลับได้อย่างปลอดภัยเพราะเรารู้จักทางรู้จักกฎจราจรจึงไม่ต้องไปแวะจอดตามโรงพักต่างๆหรือไปตามอู่ซ่องรถยนต์ต่างๆเพราะเราขับรถถูกกฎจราจร การขับรถของเราจึงปลอดภัยชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันชีวิตของเราจะเดินไปสู่ความสุขหรือความทุกข์ mm hmm. ก็อยู่การปฏิบัติตามกฎจราจรของชีวิตพวกเราเกิดมานี้ไม่ค่อยมีใครสอนเรื่องกฎจราจรของชีวิตกันสอนแต่เรื่องกฎจราจรสอนแต่เรื่องกฎระเบียบต่างๆของบ้านเมือง แต่ไม่ได้สอนถึงกฎจราจรของชีวิตที่จะนาพาชีวิตให้ไปสู่ความง่มเย็ยนเป็นสุขคล่อค่าปลอดภัยเราจึงต้องมาวัดเพื่อมาศึกษากฎจราจรของชีวิตเพื่อชีวิตของเราจะได้นาเนินไปด้วยความแคล่อค่าปลอดภั ย, ภยกฎจราจรของชีวิตที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราศึกษา ก็มีอยู่7ข้อด้วยกันข้อที่1ก็คือเหตุข้อที่สองก็คือผลข้อที่สก็คือตนข้อที่สก็คือบุคคลข้อที่5ก็คือสังคมข้อที่6ก็คือกาลเทศะและข้อที่7คือประมาณรู้จักประมาณนี่คือสิ่งที่เรา ต้องศึกษาเพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตของเราไปอย่างล่มเย็นเป็นสุขไปสู่ความเป็นเสียเอมงคลทั้งหลายข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองนี่เป็นข้อที่เราควรที่จะศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพราะว่าเหตุนีเน้เป็นต้นผลนี้เป็นปลาย เราอยากเราต้องการผลอะไรเราก็ต้องสร้างเหตุอย่างนั้นเหมือนชาวนาชาวไร่ต้องการผลไม้ชนิดใดก็ต้องปลูกต้นไม้ชนิดนั้นเช่นต้องการมะละกอก็ต้องปลูกต้นมะละกอต้องการกล้วยก็ต้องปลูกต้นกล้วยต้องการส้มก็ต้องปลูกต้นส้มเึงิจะได้ผลที่ตัวเองต้องการ ชั้นใดผลที่พวกเราต้องการกันก็นกคือความสุขความร่มเย็นความแค่ค่าปลอดภัยจากความทุกจากภัยต่างๆจากเรื่องราววุ่นวายต่างๆผลเหล่านี้ก็มีเหตุที่ทำให้เขาเกิดขึ้นเหตุที่ทำให้ของเหล่านี้เกิดขึ้นก็คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจของเรานี่ ไม่ได้เกิดจากใครเลยเกิดจากการกระทําของเราสทางด้วยกันเรามีการกระทําทางกายเช่นเราเดินไปเดินมาไปทํานู่นทํานี่ด้วยร่างกายของเราก็เรียกว่าการกระทําทางกายเราพูดก็เรียกว่าเป็นการกระทําทางพูดเราคิดก็เรียกว่าเป็นการกระทําทางใจ การกระทำทั้งสามทางนี้เมื่อทําไปแล้วก็จะส่งให้เกิดผลที่เราต้องการหรือไม่ต้องการตามมานะดังนั้นเราจึงต้องศึกษาการกระทําที่จะทําให้เกิดผลที่เราต้องการแล้วเรากระทาไปตามที่เราต้องการเราก็จะได้ผลตามที่เราต้องการส่วนผลที่เราไม่ต้องการ เราก็ต้องศึกษาว่าการกระทำอย่างไรทำให้เกิดผลที่เราไม่ต้องการขึ้นมาเมื่อเรารู้เราก็จะได้อย่าไปกระทำมันเมื่อไม่ไปกระทำมันแล้วผลที่เราไม่ต้องการก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเราจึงต้องมาศึกษาการกระทำของเราว่าทำอย่างไรถึงทำให้เกิดความสุข ทำอย่างไรถึงทำให้ไม่เกิดความทุกข์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงตัดสู้เหตุและผลคือการกระทำและผลที่เกิดจากการกระทำทรงรู้ว่าการกระทำแบบไหนทำแล้วนำมาสร่งความสุขความเจริญทรงรู้ว่าการกระทำแบบไหนทำแล้วทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจ เกิดความเสียหายตามมาหลังจากนั้นพอองศ์จึงนำเอามาเผยแพ่สัมสอนให้แก่พวกเราที่ยังไม่รู้กันเพราะถ้าเรารู้ชีวิตของเรานี้จะไม่มีความทุกข์เลยจะไม่มีความวุ่นวายไม่มีความเสียหายไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไปตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ เราต้องศึกษาศึกษาเหตุและศึกษาผลเพื่อให้ได้ผลที่เราต้องการเหตุที่จะทำให้เรามีความสุขพระตจ้าก็บอกว่าคือการทาบุญการทำความดีนั่นเองความหมายของการทาบุญทางความดีก็ทรงตัดสอนไว้แบบเป็นเป็นนิยเป็นคอธิบายว่าการกระทำอันใดก็ตาม แม่ว่าทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีถ้าทำไปแล้ ว, วเกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดประโยชน์แก่ตนและเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นขึ้นมาการกระทำเหล่านั้นถือว่าเป็นการกระทำความดีเช่นวันนี้ญาติโยมมาทำบุญนำกับข้าวกับปลาอาหารของเขาของหวานเงินทองมาถวายพระถวายวัด การกระทำเหล่านี้เป็นประโยชน์กับผู้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสา ม, มเณรนำความสุขมาให้แก่พระภิกษุสา ม, มเณรแล้วผู้ที่กระทำก็ได้รับความนุ่มเย็นเป็นสุขมีความสุขใจมีความสบายใจนี่เรียกว่าการกระทำความดีการกระทำบุญไม่จำเป็นจะต้องทำกับพระภิกษุทำกับ วัด เ, เพียงอย่างเดียวทํากับใครก็ได้ที่ทําแล้วให้เขาได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากการกระทําของเราเช่นที่หน้าวัดเขาก็มีการปล่อยปลากันถ้าเราคิดว่าปลาเหล่านี้สมควรที่จะได้รับอิสรภาพได้ไปอยู่แบบที่เราอยู่กันตอนนี้เขาถูกจับอยู่ในกระแปงไม่รู้ว่าจะโดน อะไรอาจจะถูกจับไปฆ่าแกงเพื่อเป็นอาหารก็ได้ถ้าเราอยากจะช่วยเหลือเขาอยากจะให้เขามีความสุขเราก็ไปซื้อปลาที่เขาขายนี้ไปปล่อยแต่ปลาที่ปล่อยนี้มันอาจจะเป็นปลาเชิงพาณิชย์ทางเศรษฐกิจคือมันเป็นปลาที่เวียนเทียนกันหรือเปล่า เราไปปล่อยที่หน้าสะเดี๋ยวเขาก็ไปจับมากลับมาเพื่อเอามาขายใหม่ถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ปล่อยถ้าอยากจะปล่อยอาจจะต้องไปปล่อยไกลๆปล่อยไกลาจากที่คนที่เขาจะไปจับมาหรือไม่ใช่นั้นเราก็ไปที่ตลาดไปซื้อปลาที่พ่อค้าแม่ค้าขายให้คนเขาเอาไปทำอาหาร เ, เราไปซื้อมาแล้ว เราก็ไปปล่อยในที่ปลอดภัยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญทำประโยชน์ mm hmm. เห็นสุนําจรจัดไม่มีอาหารกินเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราช่วยเหลือเขาได้ช่วยเหลือเขาไปเขาได้รับความสุขได้ประโยชน์จากเราเราก็มีความสุขเราก็ได้บุญเราได้ความสุขรับรองได้ว่าจะไม่มีความทุกข์ ช่วยเหลือคนอื่นแล้วใจเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่เหมือนกับการทำร้ายผู้อื่ทำร้ายผู้แล้วจะต้องเดือดร้อนดังนั้นข้อที่หนึ่งถ้าเราอยากจะมีความสุขไม่มีความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายใจขอให้ทำความดีให้ทำบุญให้ช่วยเหลือผู้ให้ผู้อนเขาได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากการกระทาของเรา นี่คือเหตุข้อที่หนึ่งเหตุข้อที่สองก็คือการกระทําที่ทําให้เกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมเสียขึ้นมาพระเจ้าก็บอกว่าการกระทําที่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นโทษแก่ผู้อื่นหรือเป็นโทษกับตนเองก็เรียกว่าเป็นกระทําที่ไม่ควรกระทำเพราะถ้าทําไปแล้วก็จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา ทั้งร่างกายและจิตใจการกระทำอะไรที่ถือว่าทำแล้วเป็นโทษกับตนและกับผู้อื่นก็คือการทำบากนั่นเองอย่างวานิีญาติโยงก็มาระการกระทาบาด้วยการสมาทานศีลห้าข้อด้วยกันการกระทำห้าข้อนี้จะทำให้เราไม่ต้องได้รับผลคือความทุกข์ความเสื่อมเสียนั่นเอง ข้อที่หนึ่งก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราละเว้นได้เราก็จะไม่มีความทุกข์เกิดความเสียหายกับเรากลับมาเพราะว่าเราไม่ได้ไปทําให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนหรือทุกข์แต่อย่างไรนั่นเองข้อที่หนึ่งคือการไม่ฆ่านะเราต้องละเว้นการกระทําบาปคือไม่ฆ่า ข้อที่สองก็คือไม่รักทรัพย์ไม่ไปเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่เขาไม่อนุญาตเพราะว่าทรัพย์ของใครก็ทุกคนก็รักก็หวนเวลาใครมารักทรัพย์ของตนไปก็จะทำให้เกิดความเสียใจเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนเพราะต้องอาศัยทรัพย์นี้มาใช้ในการดารงชีพพอขาดทรัพย์ไปการดารงชีพก็จะ เป็นอุปสรรคขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้นเพราะถ้าเราทำไปความเดือดร้อนความทุกข์นั้นจะกลับมาหาเราเพราะเมื่อเราไปรักทรัพย์แล้วเขาก็ต้องไปตามหาตัวเราผู้ที่รักทรัพย์เพื่อที่จะเอาทรัพย์ของเขาคืนมาถ้าไม่ได้ทรัพย์คืนมาเขาก็จะต้องจับเราไปลงโทษ โทษก็เกิดขึ้นกับเราด้วยการรักทรัพย์ถ้าเราไม่รักทรัพย์โทษก็ไม่เกิดขึ้นทกุก็ไม่เกิดขึ้นข้อที่สก็คือการประพฤติผิดประเวณีเรามีสามีมีภรรยาเราต้องอย่าไปยุ่งกับหญิงชายคนอื่นเวลาที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับหญิงชายคนอื่นต้องรอบครอบต้องระมัดระวังต้องคำนึงถึงความรู้สึกของ สามีของภรรยาของเราถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจก็ต้องระมัดระวังไม่ควรอยู่สองต่อสองกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เป็นสามีเป็นภรรยาของเราถ้ามีธุระมีความจำเป็นควรจะหาเพื่อนไปเป็นเพื่อนอย่าไปทำอะไรกันสองต่อสองเพราะชาวบ้านเขาจะ เขาหานินทาแล้วพอสามีหรือภรรยาของเราได้ยินข่าวเข้าก็อาจจะทำให้เขาเดือดร้อนใจทุกข์ใจขึ้นมาั้ ง, งที่ไม่มีอะไรกันก็ตา่างแต่เพราะความไม่ระมัดระวังก็ทำให้เกิดความทุกข์แก่ผู้อื่นได้เมื่อผู้อื่นก็เกิดความทุกข์เขาก็จะรายระบายความทุกข์กลับมาหาเรา เวลาเขาเจอแล้วเขาก็จะต้องพูดต้องถามต้องต่อว่าอะไรต่างๆพอเราฟังเราไม่พอใจเราก็พูดไม่ดีกลับไปก็เลยกลายเป็นการทะเลาะบอกร้งกันขึ้นมาโดยใช่เหตุทั้งๆที่ไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจที่จะกระทำผิดสี่ข้อที่สามนี้แต่อย่างใดแต่ก็ต้องระมัดระวัง ของพระนี้ท่านถึงห้ามไม่ให้พระนี้อยู่สองต่อสองกับศีกาถึงแม้ว่าจะเป็นภรรยาหรือเป็นแม่แล้วก็ตามท่านบอกว่าต้องมีเพื่อนอยู่ด้วยเพื่อจะได้มีสัก ข, ขีพยานยืนยันว่าไม่มีการพูดด้วยการกระทำอะไรที่ไม่เหมาะสมนั่นเองดังนั้นเราต้องละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี หรือการกระทาที่เสี่ยงต่อการกระทาผิดประเวณีข้อที่สีเราต้องละเล้นจากการพูดปดโกหกหลอกลวงเพราะการโกหกหลอกลวงนี้ก็จะทำให้ผู้เสียหายเดือดร้อนได้เช่นเราลักทรัพย์ของเขาแล้วเขาถามว่าเอาไปหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่ได้เอาไปแล้วก็บอกว่าคนนั่นคนนี้เอาไปก็กสร้าง ทุกให้แก่ผู้ขึ้นมาและปกปิดความชั่วของเราไว้เป็นการกระทําที่ไม่ควรกระทําและข้อที่5ก็คือให้ละเว้นจากการเสพสุรายามาเพราะการดื่มสุราจะทําให้ไม่มีสติสติจะไม่มีกําลังที่จะมายับยั้งความคิดที่ไม่ดีที่มักจะผุดขึ้นมาอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆ คนอื่นุรามักจะพูดจาไม่ดีทำอะไรไม่ดีสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วก็ต้องถูกผู้อื่นมาจับเราไปกักไปขังไว้ไปลงโทษเพราะการกระทำที่ไม่ดีของเรานั่นเองนี่คือเรื่องเหตุการกระทำที่ทำให้เกิดโทษเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แล้วก็ยังมีการกระทำอีกข้อหนึ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็คือการกระทำผ่านทางความคิดนี่เองพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราคิดไปในทางกิเลสตัณหาจะทำให้ใจของเรานี้ไม่สบายเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีเวลาเราโลภอยากได้อะไรใจของเราจะอยู่ไม่เป็นสุข อยู่เฉยๆไม่ได้จะต้องไปหาสิ่งที่เราอยากได้มาให้ได้ถ้าเราไม่มีความโลภความอยากเราก็จะอยู่เฉยๆได้ยังขณะนี้ญาติโยมนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมได้เพราะตอนนี้ไม่มีความโลภไม่มีความอยากแต่ถ้าพอมีความโลภมีความอยากขึ้นมาเช่นอยากจะไปทุระนั่ง นั่งอยู่ตรงนี้ก็จะนั่งอยู่ไม่ได้แต่ถ้ายังไม่มีความอยากจะไปไหนนั่งอยู่ตรงนี้ก็จะนั่งได้อย่างสุขได้อย่างสบายดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราพยายามลดละความโลภความอยากที่ไม่จำเป็นต่างๆความอยากที่จำเป็นนี้เราก็ต้องผ่อนผันไปก่อนเช่นเวลาถึงเวลาต้องรับประทานอาหาร ถ้าอยากรับประทานอาหารก็ถือว่าจาเป็นเวลาถึงเวลาต้องหลับนอนก็ต้องนอนแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลารับประทานอาหารแล้วอยากรับประทานอาหารเช่นรับประทานเพิ่งเสร็จไปใหม่ๆห้านาทีส0นาทีเห็นขนมนมเลยก็อยากจะรับประทานอีกอย่างนี้เรียกว่าเป็นความโลภเป็นความอยากไม่ควรที่จะทำ พราะทำแล้วมันจะเป็นนิสัยแล้วจะต้องทําอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาไม่ได้ทําก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาต้องควบคุมลดละกิเลสตัณหาให้น้อยลงไปเพราะกิเลสตัณหานี้ไม่มีความจําเป็นต่อการอยู่อย่างมีความร่มเย็นเป็นสุขผู้ที่ไม่มีกิเลสตัณหานั่นแหละเป็นผู้ที่อยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข อย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่มีความโลภกกโกรธโงงไม่มีความอยากต่างๆท่านอยู่อย่างปละมังสุขขังอยู่อย่างประมงสุขสุขตลอดเวลานั่งอยู่ตรงไหนก็สุขเดินอยู่ตรงไหนก็สุขยืนอยู่ตรงไหนก็สุขทำอะไรก็สุขไม่ทำอะไรก็สุขได้ทั้งนั้นให้ทำก็ได้ไม่ให้ทำก็ได้ให้ดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ ไม่มีความอยากนี่แหละสิ่งที่พวกเราควรที่จะศึกษากันเหตุสามประการด้วยกันคือการทำความดีการละการกระทำบาปและการลดละกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจถ้าเราสามารถปฏิบัติทั้งสามข้อนี้ได้เราก็จะได้ ความสุขเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรับมาอย่างแน่นอนเพราะเป็นวิธีเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ทาดำเนินแบบนี้ทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าทำบุญละบาปแล้วก็ชำระใจให้บริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงนี่คือเรื่องของการรู้เหตุและรู้ผล ข้อที่สองก็คือรู้ตนเราต้องรู้จักตัวเราเองถึงแม้ว่าเราจะเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ฐานะของเหล่านี้ต่างกันในโลกของสมมติเราอยู่ในโลกของสมมติที่มีแบ่งชั้นวรรณะแบ่งเพศแบ่งวัยแบ่งฐานะแบ่งระดับความรู้ความสามารถเวลาที่เรามีร่างกายนี้เราก็ต้องมาดูว่า เรามีฐานะอะไรบ้างชีวิตของเราตัวเรานี้เป็นหลายอย่างด้วยกันเช่นตอนที่เกิดมาก็เป็นเด็กเป็นลูกเป็นหญิงหรือเป็นชายพอโตขึ้นมาก็ต้องเป็นเด็กนักเรียนเป็นอย่างนักเรียนก็มีหน้าที่ต้องไปเรียนหนังสือไปโรงเรียนพอโตขึ้นมาเรียนจบก็มีหน้าที่ต้องไปทำงานทำการแล้วก็มีครอบครัว มีบุตรมีธีดามีสามีมีภรรยาก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่างๆของเราไม่ใช่ทำอะไรไปตามความอยากเวลาอารมณ์อยากจะทำก็ทำเวลาไม่มีอารมณ์อยากจะทำก็ไม่ทำเช่นเรียนหนังสืออยากจะเรียนก็ไปอยากไม่เรียนก็ไม่ไปถ้าทำอย่างนี้ก็จะไม่ทำให้การเรียนสำเร็จได้ หรือไม่ได้คะแนนดีดังนั้นเราต้องรู้จักตัวเรารู้จักฐานะของเราแล้วปฏิบัติตัวเราให้เหมาะสมกับฐานะของเราเป็นหญิงก็ต้องใส่กระโปรงเป็นผู้ชายก็ใส่กางเกงไม่ใช่สลับกันสมัยนี้บางทีไม่รู้ว่าตอนเองเป็นอะไรกันแน่ไม่รู้ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายก็เลยบางทีพระก็เลยงง เอาของมาถวายนี้ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายจะเอาผ้ารับดีหรือจเจ้ามือรับดีก็ไม่รู้ดังนั้นขอให้เรารู้จักตนแล้วเราจะอยู่ในสังคมได้อย่างปกติไม่มีใครเข้ามาตำหนิตีเตียนไม่มีใครไม่มีใครเข้ามารังเกียจเดียดฉันบางทีเราต้องควบคุมอารมณ์ของเราความอยากของเรา เราเป็นผู้หญิงเราอยากจะทำตัวเป็นผู้ชายเราก็ต้องบังคับตัวเราว่าอย่าไปทำเราอยู่ในสังคมอยู่ในโลกนี้เขามองเราว่าเราเป็นผู้หญิงเราไปทำตัวเป็นผู้ชายมันก็จะทำให้เขาไม่รู้ว่าจะคบกับเราดีหรือไม่คบกับเราดีเราก็จะไม่เป็นบุคคลที่ไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมได้ขาดมิตรขาดเพื่อนได้ ดังนั้นต้องรู้จักตนรู้จักตัวเราแล้วก็ต้องรู้จักบุคคลก็คือรู้จักคนอื่นคนอื่นเขาก็มีฐานะต่างกันไปบางคนบางคนเขาก็สูงกว่าเราบางคนก็เท่าเราบางคนก็ต่ำกว่าเราบางคนก็เป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราบางคนก็ไม่มีบุญคุณกับเรา การปฏิบัติกับบุคคลต่างๆก็ต้องทนไปตามฐานะของเขาเช่นพ่อแม่เราก็ต้องเคารพนับถือต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อต่อแม่เพราะว่าพ่อแม่นี่มีพระคุณกับเราเป็นอย่างมากในโลกนี้ไม่มีใครที่จะมีคุณพระคุณเท่ากับพ่อกับแม่ของเราเพราะถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เราจะไม่มีวันนี้ เราจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่รู้ว่ายังไปลอยอยู่เป็นดวงวิญญาณอยู่ตรงไหนแต่นี่เรามีพ่อมีแม่เวลาเขาคลอดเราออกมาเขาอุตส่าห์อดทนอดกัน้นเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเลียงดูให้เราได้เจริญเติบโตขึ้นมาเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ได้หวังอะไรเป็นผลตอบแทน เราจึงควรที่จะให้ความสำคัญต่อพ่อแม่เป็นอย่างมากควรที่จะรับใช้พ่อแม่ในยามที่เราทำได้ช่วยเหลือพ่อแม่ได้ควรจะช่วยเหลือพ่อแม่ดูแลพ่อแม่เวลาพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีอายุมากไม่สามารถที่จะดูแลตนเองได้นี่คือการรู้จักบุคคลต่างๆนี่ เราทําเพื่อที่เราจะได้มีความสุขและบุคคลที่เป็นต้อคุณกับเราก็จะมีความสุขอยู่กับเราไม่ต้องมาเสียออกเสียใจร้องห่มร้องไห้ที่ไม่ได้ลูกที่ดีมานี่คือการรู้จักบุคคลรู้จักผู้แล้วต่อมาก็ให้รู้จักสังคม สังคมก็คือกฎระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมที่เราอยู่ด้วยนั่นเองในสังคมแต่ละสังคมนี้จะมีเขามีกฎมีระเบียบไม่เหมือนกันเวลาเราอยู่ในสังคมใดเราก็ต้องศึกษากฎระเบียบของสังคมนั้นแล้วปฏิบัติให้ถูกกฎระเบียบเช่นเวลาเราอยู่บ้านก็มีกฎระเบียบแบบหนึง่ง เวลาไปโรงเรียนก็มีกฎระเบียบอีกแบบหนึ่งเวลาไปทำงานก็มีกฎมีระเบียบอีกแบบหนึ่งเวลามาบวชเป็นพระเป็นชีก็มีกฎมีระเบียบอีกแบบหนึ่งถ้าเราไม่ศึกษาไม่รู้จักสังคมไม่รู้กฎระเบียบของสังคมเราก็อาจจะไปกระทําในสิ่งที่ไม่เหมาะสมได้แล้วก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถ อยู่ในสังคมนั้นได้เช่นพระที่ถูกจับศึกก็เพราะว่าไม่รู้จักสังคมของพระไม่รู้จักกฎระเบียบของพระมาบวชแล้วก็มาเสพสุรายาเมามามั่วศีกาอย่างนี้พอถูกจับเข้ารู้เข้าเขาก็จะต้องให้ลาศิกขาไปเพราะว่าถ้าอยู่แล้วจะทำให้สังคมนั้นเสื่อมเสีย ดังนั้นเวลาเราไปอยู่สังคมใดเราควรที่จะศึกษากฎระเบียบต่างๆของสังคมนั้นแล้วปฏิบัติให้เหมาะสมเพื่อที่เราจะได้อยู่กับสังคมนั้นได้และจะได้รับประโยชน์จากการอยู่ร่วมกัน<ม>เพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่อยู่คนเดียวไม่ได้เราเป็นมนุษย์สังคมเราต้องมีสังคมการที่เราจะอยู่ในสังคมได้ เราก็ต้องรู้จักกฎระเบียบของสังคมข้อต่อมาให้เรารู้จักกาลเทศะกาลเทศะก็คือการเวลาและสถานที่เวลาเราไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่งเขาจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่กำลังทำกันอยู่เราก็ต้องรู้ว่าตอนนั้นเราควรจะทำอะไร เช่นตอนนี้เรากำลังฟังเทศฟังธรรมกันถ้าญาติโยมท่านหนึ่งมาสายอยากจะรีบถาวายข้าวขอายของก็เอาข้าวของเข้ามาถาวายเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการไม่รู้จักการละเทศเพราะว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ควรจะนั่งฟังไม่ใช่เป็นเวลาที่ควรจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะถ้าทำไปแล้วมันก็จะทำให้รบควรผู้อื่น บรบกวนการกระทำต่างๆอย่างสมัยนี้พวกเรามีมือถือกันเวลาไปไหนควรจะดูสังเกตหรือว่าควรจะเปิดเครื่องหรือควรจะปิดเครื่องนะเพราะบางทีเราไปในสถานที่เขาต้องการความสงบความเงียบอย่างเช่นตอนฟังเทศฟังธรรมนี้ถ้าเราไม่ปิดเครื่องเดี๋ยวเครื่องมันก็ดังขึ้นมาพอดังขึ้นมาก็จะมาทาลายสมาธิ ของผู้ฟังและของผู้พูดทำให้การแสดงธรรมการฟังเทศฟังธรรมนี้ไม่เป็นไปอย่างราบรื่นผลก็จะไม่ได้ผลที่ดีที่เราต้องการกันดังนั้นเราต้องรู้จักกาละเทศะเวลาจะทำอะไรโบราณก็บอกว่าให้ดูตาม้าตาเรือตาม้าตาเรือนี้มาจากบักฮอดบักลุก หมากรุกนี้เขาจะมีตะตัวเล่นตัวเรือตัวมา้าถ้าเราเดินไปไม่ระวังเดี๋ยวก็โดนมา้าหรือเรือฆ่าตายได้กินได้ให้เวลาใครเขาจะเดินหมากแต่ละหมากรุกาต้องดูซ้ายดูขวาก่อนดูตามา้าตาเรือก่อนว่าไปอยู่ในทางของมา้าของเรือหรือเปล่านี่ก็เช่นกันเวลาเราทำอะไรเราก็ต้องดูว่า เราไปเกะกะไปสร้างความเดือดร้อนไปสร้างความวุ่นวายเสียหายให้แก่ผู้อื่นหรือเปล่ามีคำว่ารู้กาลเทศะแล้วก็สุดท้ายก็ให้รู้ประมาณคาว่ารู้ประมาณก็ให้รู้ความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปโดยเฉพาะเรื่องของปัจจัยสี่เราควรจะรู้ว่าเราควรจะรับประทานอาหารมากน้อยเพียงไร ควรจะชั่งน้ำหนักอยู่บ่อยๆถ้ามันเกินมันก็รู้แล้วว่ามันมากไปแล้วก็ควรจะลดลงมาถ้าน้ำหนักมันต่ำไปก็ควรที่จะปรับมันขึ้นมารับประทานให้มันพอดีเรียกว่าจะได้ร่างกายจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมา แล้วก็ถ้าเรารู้จักความพอดีเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากเกินไปเช่นเสื้อผ้าต่างๆนี้เรามีความจำเป็นจะต้องมีสักกี่ชุดกันเราก็มีเท่าที่จำเป็นก็พอไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองซื้อมาให้เต็มตู้ลถตู้แล้วบางทีซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใส่ใส่เพียงครั้งสองครั้งก็เลิกใส่แล้ว ควรจะใช้เหตุใช้ผลเวลาที่จะซื้อพระซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าซื้อเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆอย่าซื้อตามอารมณ์ความอยากเพราะอารมณ์ความอยากนี้จะไม่มีคําว่าพอซื้อเท่าไหร่ก็จะไม่พอถ้าซื้อมากๆเดี๋ยวก็เงินทองที่หายากก็จะหมดไปได้แล้วจะไม่มีเงินทองเอาไปใช้ในสิ่งที่จําเป็น พอถึงเวลาต้องใช้เงินทองกับสิ่งจำเป็นก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเช่นโรงเรียนจะเปิดแล้วเดี๋ยวถึงเวลาต้องซื้อเสื้อผ้าซื้อหนังสือจ่ายค่าเล่าเรียนให้ลูกๆถ้าไม่เก็บเงินเก็บทองเอาไว้บัวไปซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆตามความอยากเดี๋ยวพอถึงเวลาจะซื้อเสื้อผ้าซื้ อ, อหนังสือจ่าย้าเล่าเรียน ให้กับลูกก็จะไม่มีจ่ายก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินแล้วก็ต้องเสียดอกเบี้ยแพงๆขึ้นไปนะชีวิตก็จะวุ่นวายจะไม่มีความสุขนะถ้าเราไม่รู้จักประมาณรู้จักความพอดีในการบริโภคสิ่งต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของปัจจัยสี่คือที่อยู่อาศัยอาหารยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่มขอให้ใช้กับ ให้มีความพอดีกับฐานะของเราด้วยกับความต้องการของร่างกายของเราด้วยร่างกายขาดไม่ได้แต่มีมากเกินไปก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายดีขึ้นแต่อย่างใดเราก็ต้องดูฐานะการเงินการทองของเราด้วยว่าเราจะสามารถซื้อได้ในระดับไหนบ้านมันมีหลายระดับตั้งแต่บ้านเช่าไปถึงมหากรหา เราก็ต้องดูเงินของเราดูกำลังของเราเราอย่าไปเป็นหนี้เป็นอันขาดเพราะการเป็นหนี้นี้ท่านบอกว่าเป็นการสร้างความทุกข์ไม่ได้สร้างความสุขให้กับเราถ้าเรารู้จักประมาณเราจะไม่ต้องใช้ไม่เราจะไม่ต้องไปกู้หนี้ยู่สินเพราะเราจะอยู่ได้อย่างสบายตามฐานะของเราตามความต้องการของร่างกายนี่คือสิ่งที่ เรียกว่ากฎจราจรของชีวิตถ้าเรารู้กฎเหล่านี้น่าสามารถปฏิบัติตามได้ชีวิตของเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขยังไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่มีความเดือดร้อนต่างๆอย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าได้ดำเนินมาแล้วถ้าเราดำเนินตามเราก็จะได้ความสุขแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับอย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่องของการมาศึกษากฎจราจรของชีวิตเจ็ประการนี้คือเหตุผลตอนบุคคลสังคมดาราเทศะและรู้จักประมาณให้ท่านได้นาเอาไปพิริพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความจ่มเย็นเป็นสุขของชีวิตที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลา